อรหัตโตสัมมาสัมบุตตสันะโมตัสสะพ t ะเจ้าวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมบุตตสันะโมตัสสะพระเจ้าวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมบุตตสัติตังดันตังสุขาวะหันติอิมัตตธัมมะปิยาญาติ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 และการศึกษาธรรมะเพื่อความรู้ความเข้าใจตารจำรัดําราเราป็เรียกกันมามาเรียนทั้งพรสูตรพวินัยและพระประมัติโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งตั้งแต่อดีจตจนกระทั่งถึงปัจจุบันการเรียนปริยัติธรรม <c oughs>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 ศาสนาพุทธเข้ามาสู่ดินแดนแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2,000 ปีและเราก็มีการศึกษาปริยัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจกัมืนกันจรายนรู้มากก็รู้สึกว่าจะยากนาน เพราะเราเถียงกันไม่จุดยอดเพราะฉะนั้นเราจะมาเลิกเถียงกันจะบ้างดีไหมเพราะว่าเลิกเสียงกันแล้วก็หันมาเอาใจใส่จิตใจของเราเองเพราะธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงมโนภพังสมาธิมมมาโนเสขามโนมยา ทำทั้งหลายมีหัวใจเป็นใจมีใจเป็นผู้ถึงก่อนสําเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นความดีก็ตามความชั่วก็ตามบนก็ตามบาปก็ตามเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากความคิดเพราะเรามีความคิดเราจึงมี หน้าที่คิดทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผู้สนอาคุศนเรื่องดีเรื่องชั่วในไม่คิดขึ้นมาแล้วความคิดถ้าคิดบ่อยๆเจตมันเพิ่มพลังงานขึ้นเช่นอย่างเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีที่เป็นบาปอาคุศลทั้งหลายเมื่อจจตมันคิดในะเรื่องอาคุศน ที่แรเพียงแต่คิดมันก็ไม่รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่คิดหนักๆเข้าคิดไม่จยุดมันกลายเป็นการสร้างพลังงานให้แก่จิตเมื่อจิตพลังงานเข้มแข็งในทางอากุศลพลังอันนั้นมันก็มันก็ปฏิวัติจิตให้เหฮันไปในทางฝ่ายอากุศล เมื่อเป็นเช่นนั้นติดมันก็บังคับกายวาจาให้สร้างแต่บาปอาขุศเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงมีโอบายวิธีให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นขุศเช่ น, แ, นแล้วเลิกถึงคุณของบิดาอาของพระพุทธธรรมประสงบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้น ถ้ายามคิดจงกระทั่งจิตมันมีพลังงานขึ้นในทางที่ดีแล้วพลังอันนั้นมันจะได้หลุนส่งจิตให้สร้างแต่บุญแต่กุญศรสิ่งที่เรามีที่เราเรียกว่าเรามีกิเลสมีความโลภความโกรกความหลงบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่า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 เพราะฉะนั้นจิตของเราจึงเคยตัวต่อความโลภความโกรธความหลงลดังนั้นเมื่อกระทบ อ, อะไรซึ่งจะมายั่วยุกให้เกิดทีเด็เช่นนั้นเราจะระ ง, งับไม่อยู่แต่ถ้าที่จริงเราได้ฝึกฝนให้เขาเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า การที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆนี่เราจะทำอย่างไรอาสมาภาพขอถามท่านผู้ฟังว่าท่านปฏิญญาณตนรับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของท่านใช่ไหม และขอถามต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาของเราสั่งไว้ว่าอย่างไรถ้าขั้นตอบไม่ได้อาตจจมาจะช่วยตอบให้พระพุทธเจ้ า, า, าสั่งเราว่าถ้าใครจะเป็นลูกศิษย์ของเราต่สาคตออย่างแท้จริงให้ยึดมั่น ในหลักธรรมที่ว่าท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่ลังแก่ไม่คิดอิจฉาลิษยาใส่ใครนี่ถ้าเราทำความเข้าใจ้าอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเสือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยาก เพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยาถ้าใครพรยายามปลูกฝังความรู้สึกเช่นนี้ให้มีอยู่ในจิตในใจตลอดไปจนกระทั่งจิตใจของเราคล่องตัวต่อความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกที่จะฆ่าจะเบียดเบียนจะข่มเหงรังแกอิจฉาริษยาก็ย่อมไม่มี โดยวิธีการนี้ก็จะได้ในหลักคำว่าละความทั่วในเมื่อท่านละความทั่วได้โดยเด็ดขาดก็เป็นอันว่าได้สร้างความดีเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ขมเหงไม่หลังแกไม่คิดเอสาริศยามันเป็นการทำลายบาปที่จะเพิ่งเกิดขึ้นทางกายทางวาจา ความเอชาฤติยาเป็นบาปที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็คุณธรรมอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานถ้าจะปฏิวัติถ้ามันไปตรงกับหลักของศีลห้ามันก็ได้ในศีลห้าข้อดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ข้า เว้นจากการค่าก็คือเว้นาตามศี่ข้อปาณาติบาสเว้นจากการเบียดเบียนก็คือเว้นจากการคิดนาฐานเว้นจากการข่มเหงก็คือเว้นกาเมสุเมสาจาร์เว้นความอิจฉาลิษยาก็คือเว้นจากโมุสาวาทตสุราดังนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าศี่ห้าข้อนี้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 ขอให้ยึดมั่นในศีลห้าประการเมื่อท่านมีศีลห้าข้อนี้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วความเป็นมรดกของท่านสมบูรณ์ร้อยเปอรเซ็นตเต็มเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะปลูกฝังคุณงามความดีอันใดลงไปพลงามความดีอ น, นั้นก็จะฝังแน่นในกายในวาจาในใจของท่าน แล้วบำเพ็ญกุณงามความดีในเบื้องสูงขึ้นไปเพื่อสามารถที่จะปรับจิตใจให้ดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานก็ ย, ย่อมจะทำได้เพราะผู้ที่จะคู่ควรแก่มรรคผลนิพพานกันอย่างแท้จริงนั้นอย่างต่ำก็คือมษย์สูงขึ้นไปก็พวกเทวดาอินกรม กรรมกว่าภูพของมรย์ไม่มีทางที่จะรองรับมรรคนิพพานได้อย่างดีก็เพียงแค่ว่าได้ความเรื่อมใสในคนําสอนหรือได้ความเรื่อมใสในคุณพระรักษตรใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ศีลจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้านี่ขอให้ยึดเป็นหลักสําคัญ แม่เจ้ผู้บวชในพระพุทธศาสน า, าทรงศีลสิบสองรอยยี่สิบเจ็ดแต่ถ้าว่าศีลห้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดทังอยู่ไม่ได้พระศีลสิบสองร้ยี่สิบเจ็ดนี่มันเป็นคุณธรรมเบื้องสูงผู้ควรแก่บุคคลผู้มีภูมิแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่านั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องศีล ทีนี้ต่อไปว่าด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้ปรารกว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติคัธรรมกรรมฐานที่วัดของหลวงพ่อบังเมื่อได้ยินเข้าแล้วก็รู้สึกว่ายินดีในความนึกคิดของท่านเพราะความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นผูน้สน แต่ความรู้สึกของอาตมานั้นอยากจะให้ทุกท่านพยายามนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านของตัวเองในเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของเราเองเลยจะสามารถสร้างภายในห้องนอนของท่านเองนี่แหละให้มันเป็นวัดย่อมย่อมหรือวัดน้อยน้อยขึ้นภายในครอบครัว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 ไม่แต่ว่าหลวงพ่อมีความลังเกียจหรือไม่อยากจะมาเทศทายาทให้โยมฟังหรอกแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังมีอาสมามีวิชาความรู้พอมาเทศทายาติโยมฟังได้ก็เรียนไปจากกรุงเทพที่วัดสัปะกุมแล้วก็เคยมศึกษากับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เิตสมหาเถระที่วัดบรมนิวาสนี่บ่อยครั้งเหมือนกัน เราจ ะ, ะนั้นธรรมะที่เราฟังฟังกันไปแล้วนั้นใครจะนำมาก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้นาหากเราจะไม่เลือกโตเลือกอาจารย์โดยยึดเอาคำภีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใครนำมาก็ตามฟังแล้วข้อไปพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็ขเข้าใจว่าคงจะเกิดประโยชน์ได้ เพราะการปฏิบัติธรรมนี่จุดสาคัญอยู่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำตสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตเมื่อจิตรู้อะไรแล้วเราก็ทำตสติรู้อยู่กับสิ่งนั้น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 ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตท่านระลึกรู้สิ่งใดหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นถ้าพยายามทำสติรู้กับสิ่งนั้นีน่จึดสำคัญมันอยู่กันที่ตรงนี้ยกหนอพองหนอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องะระลึกของสติสามมาล拉หังก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องะระลึกของสติ พูพอก็เป็นเครื่องโลของจิตเครื่องระลึกของสติทั้งสามอย่างนี้ล้วนแต่เป็นคําพูดคําพูดที่เราโผกบัญญัติขึ้นมาเป็นคำคำเอามาเลิกไว้ที่จิตแล้วก็ทําสติควบคุมลูลอยู่กับสิ่งนั้นๆที่เรานึกอยู่ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมานึกบ้าง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 และพยายามเชื่อตัวเองให้มากๆแล้วพยายามทำให้มันจริงๆริอดชังคอสติสังขาตกสติเป็นองค์การแห่งการจัดสรุ้สติจะเป็นองค์การแห่งการจัดสรุ้ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยการอบรมให้มากๆกกระทให้มากๆ ีนจิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้เจตต้องมีสิ่งรู้เพราะฉะนั้นในคำภีท่านจึงสอนให้บริกรรมภาวนาพทโพธโธบ้างสัมมา阿拉หังบ้างยกหนอคองหนอบ้างพพธโธก็ดีสัมมา阿ะหังก็ดียกหนอคองหนอก็ดีเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละเึกของสติ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 อาตมาก็ขอตอบอย่างง่ายๆว่าต้องการสร้างสติให้มีพลังงานเข้มแข็งขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราโลว์เห็นด้วยตาหูสมูกเล่นกายใจสิ่งนั้นๆก็เป็นแต่เพียงสิ่งโลว์ของจิตสิ่งระลึกของสติถ้าหากเราภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไปเห็นภาพนิมิตต่างๆ หรือรู้ธรรมะอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็นหรือสามารถที่จะส่องดูหัวใจคนอื่นได้จนสามารถรู้ได้ว่าใจใครดำใจใครขาวใจใครบริสุทธิ์สะอาดแม้จะรู้ได้เก่งถึงขนาดนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเหตุนจะเป็นเพราะว่าเราไปยึดเอาสิ่งรู้สิ่งเห็นเป็นเรื่องสําคัญกระมัง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 เพื่อหลักของการบริกรรมภาวนา <c oughs> หลักของการบริกรรมภาวนานี่เราจะเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้เช่นอย่างยบหนอพองหนอโพธิโทสัมมาอะระหังเป็นต้นแต่วิธีบริกรรมภาวนาเท่าที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาในบางครั้ง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 แปลกว่าที่เราเคยได้เรียนมาโดยให้ตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตนึกบริกรรมภาวนาเอาไว้เช่นพพธโอโพธโธโพธโธพพธโ ธ, โ ธ, โธเป็นตน้นในเมื่อจิตของเราต้องการจะอยู่กับพพธโธตลอดไปก็ปล่อยให้มันอยู่ถ้าจิตจะสงบลงก็ภาวนาพพธโธก็ปล่อยให้มันสงบ เมื่อพิติความสตกความสงบลองเป็นหนึ่งเคอเอกกะตาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปฝุดถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใครลำบากใจที่ว่าภาวนาโพธิ์โทโพธิ์โทพโพธิ์แล้วเทิดมันไม่อยู่กับโพธิโทไปเดียวมันก็วักไปคิดถึงสิ่งอื่นถ้าเมื่อมันไม่อยู่กับโพธิโทปล่อยให้มันคิดไปเถอะ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 แม้แต่อาตมาเองเคยอธิบายให้ญาติโยมฟังอยู่โลกติก้อน ก, กติก็ยังเคยมาคัดค า, นาันภาเวลาพธิทอแล้วเมื่อเดตันทิ้งพธดท์ทอมันไปคิดถึงสิ่งอื่นนวปล่อยให้มันคิดไปมันก็ยิ่งจะกุ้งใหญ่สิเขาว่าอย่างนี้